ถือการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดถือการนุ่งห่มไตรจีวรเป็นวัดมีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารบความเพียรเป็นผู้กำจัดกิเลสและกล่าวถึงแต่เรื่องกำจัดกิเลสมันประกอบอธิจิตนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระปินโทละพารัวาชะผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินธบาเป็นวัดถือการนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือการนุ่งห่มผ้าไตรจีวรเป็นวัดมีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะปรารบความเพียรเป็นผู้กําจัดกิเลสและกล่าวถึงแต่เรื่องกําจัดกิเลสมันประกอบอธิจิต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 ท่านพระสารีบุตรผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารบความเพียรมันประกอบอธิจิตนั่งคูบรนลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปราความเพียรมันประกอบอธิจิต นั่งคูบันลังตั้งกายตรงอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาทางแห่งความเป็นมุนีผู้คงที่สงบมีสติทุกขณะย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศสารีปุตตะสูที่เจ็ด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 อารามของอนาถปิณิกาเศรษฐีเขครุงสาวถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชาโนบน้อมทรงได้จีวรบินบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตบริรารแม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจใจเพสัตบริษานส่วนพวกอัญญะเดรธีปริพาชกเป็นผู้ที่มหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่นอบน้อมไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจัยเพศสัตบริษารครั้งนั้นพวกอัญญาเดรธีปริพาชก ทนเห็นสกระเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ได้จึงพากันไปหานางสุนทรีปริภาชิกาถึงที่อยู่ได้กล่าวกับนางสุนทรีปริภาชิกาดังนี้ว่าน้องหญิงเธอสามารถจะทำประโยชน์แก่พวกญาติได้ไหมนางถามว่าท่านเจ้าค่าจะให้ดิฉันทำอะไรดิฉันสามารถทำได้เพื่อประโยชน์แก่พวกญาติแม้ชีวิตดิฉันก็สละให้ได้ พวกอัญญาเดรธีปริพาชกจึงกล่าวว่าดีละน้องหญิงถ้าอย่างนั้นเธอจงไปพระเชตวันหนึ่งเนืองนางสุนทรีปริพาชิ ก, การับคําของอัญญะเดรธีปริพาชกแล้วไปพระเชตวันหนึ่งเนืงเมื่อพวกอัญญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นรู้ว่าคนจํานวนมากเห็นนางสุนทรีปริพาชิ ก, กาไปพระเชตวันหนึ่งเนืองจึงได้จ้างนักเลงให้ฆ่านาง แล้วหมกไว้ในครูรอดพระเชตวันนั่นเองจากนั้นได้พากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเปเสนทีิโกรธสนถึงที่ประทับเรียกราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกรธสนดังนี้ว่าขอเดชะมหาพิฏอาตมภาพทั้งหลายไม่เห็นนางสนทรีปริภาชิกาเลยพระเจ้าประเสนที่โกรธสนตรสถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายสงสัยที่ไหนเล่า พวกอัญะเดรธีปริพาชกทุนตอบว่าที่พระเชตวันมหาปิพิตพระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพระกุณเจ้าทั้งหลายจงค้นพระเชตวันดูเถิดลำดับนั้นอัญญเดรธีปริพาชกเหล่านั้นจึงค้นพระเชตวันแล้วขุดศพนางสุนทรีปริพาชิ ก, กาตามที่ตนสั่งให้หมกไว้ขึ้นจากครู ยกขึ้นเตียงแล้วให้หามเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเดินจากถนนนี้ไปถนนโ น, น้นจากตรอกนี้ไปตรอกโ น, น้นพร้อมกับให้คนทั้งหลายโพลทนาว่าท่านทั้งหลายเชิญดูการกระทําของพวกพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรเถิดพระสมณะเชื้อสายศักยะบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีนมีทำเลวสามกล่าวเทจไม่ประพฤติพรหมจรรย์ความจริง พระเหล่านี้ถึงจะปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวคําจริงมีศีลมีออกัลยาณธรรมแต่พระเหล่านี้ไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพรหมความเป็นสมณะของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้วความเป็นพรหมของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้วความเป็นสมณะของพระเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหน ความเป็นพรหมของพระเหล่านี้จะมีแต่ที่ไหนพระเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะพระเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมแล้วทําไมเป็นชายจึง ข, มข่มคืนผู้หญิงแล้วฆ่าเสียเล่าสมัยนั้นคนทั้งหลายในกรุงสาวัตถีเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วดา่าบริภาศเกลี้ยวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตว์บุรุษว่า พระสมณะเชื่อสายสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีนมีธ ร, รมเลวซามกล่าวเ ท, ท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ความจริงพระเหล่านี้ถึงจปะปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวคาจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแต่พระเหล่านี้ก็ไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพรหมความเป็นสมณะของพระเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปแล้ว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 เบียดเบียน ด, ด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัตร์ปรุษว่าพระสมณะเชื่อสายสากยาบุตรเหล่านี้ไม่มียางอายทุศีลมีทำเลวสามกล่าวเ ท, ท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ความจริงพระเหล่านี้ถึงจะปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าวคําจริงมีศีลมีกรรยานธรรมแต่พระเหล่านี้ก็ไม่มีความเป็นสมณะ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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสียงโจดนั้นจะมีไม่นานจากมีเพียงเจ็ดวันเท่านั้นครั้นพ้นเจ็ดวันก็จะหายไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกล่าวตอกับคนทั้งหลายที่เห็นภิกษุแล้วดา่าบริพาดเกลี้ยวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสัพหรุษด้วยคถานี้ว่าคนที่ชอบกล่าวคําไม่จริง หรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกคนสองจำพวกนั้นต่างก็มีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้าลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายเรียนคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวตอบคนทั้งหลายที่เห็นภิกษุแล้วดา่าบริภาสเกลียวกราดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายที่ไม่ใช่ของสั ป, ปรุษ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 พระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้คงไม่ได้ทำบาปพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงกล่าวสบถเช่นนั้นเสียงโจ์นั้นได้มีอยู่ไม่นานเสียงโจ์ได้มีอยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นครั้นผลเจ็ดวันก็หายไปต่อมาภิกษุจำนวนมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร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 พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมชอบกล่าวทิมแทงผู้อื่นด้วยวาจาเหมือนทหารค่าศึกทิมแทงช้างที่ออกศึกด้วยลูกศรฉะนั้นภิกษุผู้มีจิตไม่คิดประทุษร้ายฟังคําหยาบคายที่คนพาลกล่าวแล้วพึงอดกลั้นไว้ได้ สุนทรีสูตรที่แปดจบ 9. อุปเสนสูตรว่าด้วยพระอุปเสนาวังคันตบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันกลันทกกนิวาปสสถานเคครงราชครืครั้งนั้นท่านพระอุปเสณะวังคันตบุตรเล็กเรเนอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเรามีเพื่อนพรหมจารีล้วนแต่มีศีลมีกัลยาณธรรมเราบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์แล้วเรามีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นพระอรหันตขีณาศพเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากชีวิตของเราชื่อว่ามีความเจริญความตายของเราก็ชื่อว่าเป็นความตายดี ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงทราบความที่คำหนึ่งของท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรด้วยพระทัยแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่เดือดร้อนในเวลาจนจะตายก็ไม่เศร้าโศกชื่อว่าพบนิพพานแล้วเป็นปราศแม้จะอยู่ท่ามกลางคนที่เศร้าโศกก็ไม่เศร้าโศกภิกษุ ผู้ตัดภวะตัญหาได้เด็ดขาดมีจิตสงบมีชาติสงสารสิ้นแล้วเธอย่อมไม่มีพบใหม่อุปเนสนสูที่9จบ 10. สารีบุตรอุปสมะสูตรว่าด้วยการระ ง, งับกิเลส ข, ของพระสารีบุตรเทระเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวัน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 ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุผู้มีจิตสงบและระงับกิเลสได้ตัดตัณหาที่นำไปสู่ภพได้มีชาติสงสารสิ้นแล้วชื่อว่าเป็นผู้พ้นแล้วจะเครื่องผูแข่งมานสารีปุตตะอุปสมะสูที่สิบจบ เมคิยวัคที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. เมคิยสูตร 2. อุธทธตะสูตร 3. โคปาละกะสูตร 4. ยักขะปหาระสูตร 5. นาคสูตร 6. ปินโทลสูตร 7. สารีปุตตะสูตร 8. สุนทรีสูตร 9. อุปเสนสูตร 10. สารีบุตรตะอุปสมะสูตร 5. โซนเถรวักหมวดว่าด้วยพระโซนเถระ 1. ปิยตรสูตร ว่าด้วยการไม่มีผู้อื่นเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวถีสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศนกับพระนางมณิกาเทวีประทับอยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนขณะนั้น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 พระเจ้าประเสนทิโกสนตรัสว่ามันลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยต่อมาพระเจ้าเปเสนธิโกสนเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ ข้าพระองค์กับพระนางมลิกาเทวียอยู่ที่ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนได้พูดกับพระนางมลิกาเทวีดังนี้ว่ามัลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมเมื่อข้าพระองค์ถามแล้วอย่างนี้พระนางมลิกาเทวีได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาท ใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระนางมัลิกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้พูดกับพระนางมัลิกาเทวีดังนี้ว่ามัลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลตั้งใจค้นหาทั่วทุกทิศก็ไม่พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนๆเลยสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นปิยตระสูตรที่หนึ่งจบ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 ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัจรร์จริงไม่เคยปรากฏพระมารดาของพระผู้มีพระภาคมีพระชนมายุน้อยเมื่อพระผู้มีพระภาคประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาของพระผู้มีพระภาคก็เสด็จสวรรคตไปเกิดยังหมู่เทพชั้นดุสิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่า จริงอย่างนั้นอานน์จริงอย่างนั้นอานน์มารดาพระโพธิสัตว์มีอายุน้อยเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรได้เจ็ดวันมารดาโ็สวรรคตไปเกิดยังหมู่เทพชั้นดุสิตลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกิดแล้วจะเกิดต่อไปหรือกําลังเกิดก็ตามสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจะต้องละทิ้งร่างกายไปคนฉลาดรู้ความเสื่อมไปของสัตว์ทั้งหมดนั้นแล้วควรเป็นผู้ประกอบความเพียรประพฤติพรหมจรรย์อปายุกสูที่สองจบ สสุปปุท ธ, ธกุติสูตรว่าด้วยชายโรคเรือนชื่อสุปปุทธเข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันกลันทกาณวาปะสถานเขครงราชคฤืสมัยนั้นชายคนหนึ่งชื่อสุปปุท ธ, ธเป็นโรคเรือนยากจนกมพรา้ายากไร วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมูใหญ่แวดล้อมประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ชายโรคเรือนชื่อสุปปพุทธะได้เห็นหมูมหาชนนั้นนั่งประชุมกันแต่ที่ไกลได้มีความคิดดังนี้ว่าชนทั้งหลายกำลังแจกของเคี้ยวหรือของบริโภคในที่นี้เป็นแน่ทางที่ดีเราควรเข้าไปยังหมูมหาชนนั้นเพืงได้ของเี้ยวหรือของบริโภคในที่นี้บ้าง ลำดับนั้นชายโรคเรือนชื่อสุปพุทธะได้เข้าไปยังหมู่มหาชนนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมประทับนั่งแสดงธรรมอยู่จึงมีความคิดดังนี้ว่าชนทั้งหลายคงไม่แจกของเคี้ยวหรือของบริโภคในที่นี้พระสมณโคดมนี้แสดงธรรมในบริษัททางที่ดีเราควรฟังธรรมบ้าง จึงนั่งลงณที่สมควรในที่นั้นด้วยตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมนสิกานกำหนดจิตของบริษัททุกหมู่เหล่าด้วยพระไยว่าในบริษัทนี้ใครหนอแหลควรรู้แจ้งธรรมพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นชายโรคเรือนชื่อสุปปพุทธะนั่งอยู่ในบริษัทนั้นจึงทรงพระดำริดังนี้ว่า ในบริษัทนี้ชายคนนี้แหลควรรู้แจ้งธรรมพระองค์ทรงปรารบชายโรคเรือนชื่อสุปปพุท ธ, ธะจึงตรัสอนุปุพีกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกถาเรื่องทานสศีลกถาเรื่องศีล 3. ส, สักคกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทินวกถา เรื่องโทษความต่ำซามความเศร้าหมองแห่งการ 5. เนคขมานิสังสะกถาเรื่องอนิสงแห่งการออกจากกามเมื่อทรงทราบว่าชายโรคเรือนชื่อสุปปุทธะมีจิตควรบรรลุธรรมสงบอ่อนปราศจากนิวรณเบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กังสิกาเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุก สมุทัยนิโรธมักธรรมจักสุอันไร้ทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ชายโรคเรือนชื่อสุปปุทธะณนะที่นั่งนั้นนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีครั้งนั้นแล ชายโรคเรือนชื่อสุปพุทธะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ธรรมยังลงสู่ธรรมข้ามพ้นความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้วกล้าปราศจากความมีผู้อื่นเป็นปัจใจัยในศาสนาของพระศาสดาลุกจากที่นั่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร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 ได้ฟังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกาถาแล้วก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทแล้วลุกขึ้นทำประทักษิณจากไปทันใดนั้นเอง โคแม่ลูกอ่อนได้ขวิดชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะผู้จากไปไม่นานจนล้มลงเสียชีวิตลําดับนั้นภิกษุจํานวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชายโรคเรื้อนชื่อสุปพุทธะ ผู้ได้ฟังพระดำรัสที่พระองค์ทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์แกล่าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาเขาเสียชีวิตแล้วคติของเขาเป็นอย่างไรสมปรายภพของเขาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชายโรคเรือนชื่อสุปพุทธะเป็นบัณฑิต ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เบียดเบียนเราให้ลำบากเพราะธรรมเป็นเหตุชายโรคเรือนชื่อสุปพุท ธ, ธะเป็นโสดาบันเพราะสังโยษสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งเรียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทาให้ชายชื่อสุปปพุทธะเป็นโรคเรื้อนยากจนกัมพรายากไร้พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชาติก่อนชายโรคเรื้อนชื่อสุปปพุทธะเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงราชครืดนี้เองเขาออกไปยังสวนสาธารณะได้เห็นพระประเจ ก, กับพุทธะนามว่า ตะคราสิขีกำลังเดินบินธบาตในพระนครเขาครันเห็นแล้วจึงได้มีความคิดอย่างนี้ว่าใครนี้เป็นโรคเรื้อนข่มผ้าสกป ร, รกที่วไปแล้วถมน้ำลายเดินแซงไปทางด้านซ้ายเพราะผลแห่งกรรมนั้นเขาไม่อยู่ในนรกหลายร้อยหลายพันหลายแสนปีเพราะเศษแห่งวิบากกรรมนั้นยังเหลืออยู่ เขาจึงเกิดเป็นชายโรคเรื้อนยากจนกัมพายากไรในกรุงราชครื่นี้เองเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วยึดมั่นศรัท ธ, ธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาเขาครั้นได้อาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วยึดมั่นศรัท ธ, ธาศีล ส, สุตตะจาระปัญญาหลังจากตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นเดวดึงและรุ่งโรจน์เหนือกว่าเทวดาเหล่านั้นในชั้นเดวดึงนั้นด้วยวั น, นะและยศลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบัณฑิตในโลกนี้เมื่อยังมีความบากบั่นอยู่ ควรละเว้นบาปทุกอย่างเหมือนคนตาดีละเว้นทางขรุขระฉะนั้นสุปาพุทธกุธิสูตรที่สจบ 4. กุมาระกะสูตรว่าด้วย เด็กจับปลาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกเศรษฐีเคครงสาวัตถีสมัยนั้นเด็กจํานวนมากจับปลาอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถีกับพระเชตวันครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรนเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กจํานวนมากจับปลาอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถีกับพระเชตวันนั้นจึงเสด็จเข้าไปหาเด็กเหล่านั้นแล้วได้ตรัสถามดังนี้ว่าพ่อหนูทั้งหลายเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายมิใช่หรือเด็กทั้งหลายทูลตอบว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า ข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวความทุกข์ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของข้าพระองค์ทั้งหลายลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายก็อย่าได้ทําบาปกรรมในที่แจ้งหรือบาปกรรมในที่ลับ เพราะถ้าเธอทั้งหลายจากรรักทำหรือกำลังทำบาปกรรมอยู่ถึงจะหะนีไปเธอย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้กุมาร ก, กสูตรที่สี่จบ